ทำนะก็ไม่ไม่ค่อยมีคนมาทำวัดเยอะขนานี้พักนทะีวันนี้ก็เยอะเย อ, อะกว่าทุกวันนะเพราะว่ามันเป็นวันสำคัญเนาะนะทางพุทธศาสนาหลายท่านก็ทราบเป็นวันอาสาบารมบูชามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพระพเจา เรียกว่ามีพระรัตนใจครบองคศาประการคือพระพุทธเจ้านะแล้วก็พระธรรมที่จริงพระธรรมมันก็มีหลายความหมายความหมายที่พระธรรมคือธรรมชาติคือความจริงมันก็มีม า, มาอยู่แล้วแหละแต่ความหมายอีกแง่หนึ่งก็คือว่าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นครั้งแรกที่พระท่านแสดงธรรมก็ได้เรียกว่าเกิดพระธรรมครั้งแรกขึ้นบนโลกนี้พอเกิดพระธรรมขึ้นก็ได้เกิดพระสงฆนะ์เกิดพระอัญญาโกธัญญาดูธรรมตามพระพุทธเจา้านะนี่คือเรียกว่ามีมีรัตนใจครบองศาประการนะี่ก็เลยเป็นวันที่สําคัญมากนะถ้าไม่เกิด พระพุทธเจ้าท่านไม่แสดงธรรมนะแล้วก็ไม่มีผู้ที่รู้ธรรมตามมันก็ยากที่จะสืบท่อต่อมาถึงพวกเราเนะเพราะว่าท่านท่านรู้พระองค์เดียวสอนคนอื่นก็ไม่มีใครรู้ตามท่านปริญญิพานไปคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ก็ยังเรียกว่ายังวนเวียอยู่ในความทุกข์อยู่นา ะ, ะ, ะ, ะยังไม่รู้ว่า ทิศทางที่คนจะเดินคือทิศทางไหนนะอะไรที่จะทำให้เกิดความทุกข์ได้เราก็ไม่รู้ดังนั้นการที่เรามามาเวียนเทียนนะที่จริงในสมัยก่อนนะเขาเรียกว่ามามาเวียนประทักษิณ น, นะคือเวียนทาความเคารพนะคนที่พวกเราเคารพนับถือนะเราก็เลยมาเวียนเทียนทำความเคารพ สมัยก่อนนะที่อินเดียสมมติพระพุทธเจ้าท่านท่านประทับนั่งอยู่นะใครที่มามาถึงวัดหรือที่ที่พระพเจ้าท่านประทับนะก็จะเดินประทับสิบนรอบพระพุทธองค์นะคือเดินเวียนขวานะสามรอบนะเดินรอบสามรอบเป็นการทำความรบนะนะ เนนี้ที่จริงการเวียนเทียนหรือการเนรมทักศีนจริงคือการเดินทำความเคาพรพนะเราเคารพนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนะี่ยเราก็เลยมาเดินเวียนเทีย น, ยนประทักศีนนะแต่เดินเปล่าๆก็ได้นะพนมมือแล้วก็นะสวดนะแลด้วนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้เหมือนกันนะหรือสมัยปจบบัจจุบันหรือว่าที่จริงข้างนา น, นั้นนะก็ เดินเฉยก็อาจจะมือว่างก็เลยเอาดอกไม้ทูกเทียนมาบูชาด้วยนะก็ถือว่าเป็นการบูชาด้วยเรียกว่าดอกไม้ทุกเทียนนกักนก็ก็ดีเหมือนกันแต่มันมีการบูชาอยู่สองอย่างนะการบูชาอย่างหนึ่งเราบูชาด้วยของที่นำมาถวายนะแล้วก็บูชาอีกอย่างหนึ่งด้วยการปฏิบัติบูชา การบูชาด้วยการที่ต้องเอาสิ่งของมาถวายเนี่ยก็เป็นเรียกว่าก็เป็นการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของนะแล้วก็ทำตามการตามเวลาเนาะนแต่มันมีการบูชาที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาก็คือพูดง่ายๆคือเอาใจบูชาเอาใจถวายอาวิบูชาเนี่ย เอาวัตถุสิ่งของถวายปฏิบัติบูชาเนี่ยเอาใจถวายถวายใครถวายให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถวายก็คืออะข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตเนี่ยเป็นธาตุเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นธาตุของพระธรรมเป็นธาตุของพระสงฆ์อันนี้คือ คำว่าธาเนี่ยในความหมายทางโลกอาจจะดูไม่ดีนะแต่ในความหมายทางธรรมเนี่ยถ้าเราแบบยอมจริงๆเลยนะพระพุทธเจ้าท่านให้ทำอะไรเนี่ยเราก็ยอมรับเชื่อฟังครูบาอาจารย์เองก็เหมือนกันนะจะให้ทำอะไรเนี่ยเราก็เชื่อฟังนะถ้าเราพบครูที่สอนกจริงๆนะ เราจะพลรพเชื่อฟังแบบเต็มใจเนาะมาเคยได้ยินอย่างหลวงพ่อองเขียนนะพอท่านเข้าใจธรรมะนะท่านพูดกับหลวงพ่อเทียนเลยว่าหลงพ่อเทียนจะให้ผมทำอะไรผมก็ทำผมก็จะทำตามนั้นมาว่าความสำคัญจริงๆนะคือเมื่อเราได้เกิดมาแล้วได้พบครู ในที่นี้คือผู้ที่รู้ผู้ที่ชี้ทางออกจากความทุกให้กับเราเนี่ยคือครูที่สําคัญมากนะให้เราระ ล, ลึกถึงเนาะการเรียนเทียนให้เราระ ล, ลึกถึงพัะคุณของคุณครูของเราพรกครูครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระพุทธเจ้านะนั้นให้เราระ ล, ลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพราะมีพระพุทธเจ้า เ, าเราถึง ได้พบนะพระสงฆ์เพราะมีพระพุทธเจ้าเราถึงได้ฟังธรรมเพราะมนะีพระพุทธเจ้าได้เกิดนะอา น, นิสงส์หลายอย่างมากนะแค่เราเลิกถึงคนพระพุทธเจ้านะหรือเราะนึกถึงพระสงฆ์รูปใดนะว่าเป็นที่พึ่งเป็นครูอาจารย์ของเรานะเราก็เลิกถึงพระสงฆ์รูปนั้นที่มีพระคุณสับตสอนพวกเรา หรือแม้แต่ที่จริง น, นะก็นะะไม่ใช่แต่พระสงฆ์ที่บวชก็ได้นะอย่างท่านมาว่าพวกเราหลายท่านก็โชคดีเนาะมีภูที่เป็นคาราวานะเนี่ยตัดใจเป็นพระเนะียอย่างเช่นอาจารย์กําพลทองมุ่นนะุนะ่มเนี่ยร่างกายไม่ได้บวชนะแต่เป็นสงโดยจิตใจนะเป็นสงที่แท้จริง น, นะนะสงที่ส ม, มุติอาจจะบวชแล้วแต่ยังไม่เข้าใจธรรมะนะีนะ่ยเรียกว่าสงที่ส ม, มุติ แต่สงที่แท้จริงเนะี่ยจะเป็นพระก็ได้เป็นไม่ขีก็ได้เป็นพรวาวด์ก็ได้เป็นพิษุณีก็ได้จนะ๋ <Okay. S 1> ยได้พบองค์นี่ยคือสงฆ์ที่แท้จริงนะคือตรง น, นั้นเนาะแค่เราเพิ่งถึงคุณเนาะแต่มาว่าเนะี่ยความที่เราได้มีครูเนี่ยนะเป็นโชคดีมากๆากในเองชีวิตชีวิตเราถ้าเกิดมาแล้วไม่พบครูผู้ชี้ทางสว่างทางจิตใจเนะี่ย มันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนนะเหมือนเรามีข้าวกินเหมือนเรามีที่พักเหมือนเรามีงานทําเนะี่ยมีสิ่งต่างๆภ า, ายนอกเลยครบเลยแต่ขาดอย่างเดียว <c oughs> คือใจยังไม่มีที่พึ่งเนยะมันรู้สึกมันรู้สึกเพง่งวาๆนะนะมันรู้สึกว่าชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปทําอะไรนะ ไม่รู้ว่าชีวิตจะมีเป้าหมายของชีวิตอย่างไรนะแต่เมื่อไหรที่เราได้พบครูนะครูชี้ทางเมื่อไหรที่เราได้พบครูคู้สอนอบรมสั่งสอนเราอย่างที่เราเองก็อาจจะเคยตื้อดึงอาจจะเคยไม่เชื่อฟังหรืออาจจะเรียกว่าทำไม่ได้สักทีแต่ก็มีครูที่คอยสอนเราอยู่เสมอนะ ไม่เบื่อนายไม่พอแท้เนะี่ยมันก็น่ามันก็น่าชื่นชมนะนะเพราะว่าครูเองร า, ายกัวบทีท่านไม่ได้สอนะอย่างเดียวนะแต่ท่านทำให้ดูนะท่านอยู่ให้เห็นนะอยากจะมาเองรู้สึกตัวเองโชคดีนะที่มีครูที่สำคัญคือหลวงพ่อคอนเยนนะเราได้ดูหลวงพ่อ นั่งหนุนพ่อเดินหลุนพ่อนอนคือหลวงพ่อทําการทํางานต่างๆเราได้ฟังตอนหลวงพ่อเทศเราได้ฟังตอนหลวงพ่อสนท น, นากับคนต่างๆนะเราได้เห็นนะต่างๆจากหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นครูที่เป็นครูที่ประทับใจของเรามากนะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเมื่อใดที่เราทำตาม เปลี่ยนแปลงในจิตใจของเรานะจากความไม่เข้าใจอาจจะเกิดมีศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่แต่ก็ศรัทธาแบบยังไม่เข้าใจดีนะักนะเวลาเวียนเทียนตอนเด็กๆ ก, ก็อยากมาเวียนเทียนอยู่นะเวลาใส่บาตรก็อยากตักบาตรอยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าที่จริงทำลงไปทําไมนะทำไปเพื่ออะไรนะเราลึกถึงอะไรกันแน่ เรามาเดินแค่ให้ครบสามรอบนะจุดดอกไม้ทูกเพียนแล้วก็เดินสามรอบแค่นั้นนะแต่พอได้พบปรูที่สอนธรรมะที่จริงโอที่จริงมันเป็นเรื่องของการบูชาคุณพระคุณของพระรัตนตรัยจริงๆนะเรามาขอบคุณนะเรามาขอความมาโทษนะในส่วนใดที่เราพลาดทั้งไปเราก็ขอความมาโทษ ครูบาอาจารย์ ต, าตา่างๆคือทำเพื่อตรงนี้นะตรงนี้นี่เองนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีครูผู้สอนนะชีวิตเราก็คงมืดอบอดไปอีกไม่รู้อีกกี่ปีหรืออาจจะกี่ชาตนะิก็ไม่รู้นะนะแต่มาว่าแต่หลายท่านก็ได้พบครูนะทางจิตใจอยู่แล้วก็ให้พวกเราเนาะน้นะนอนมระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ ให้เราเอาใจของเราเนี่ยดีที่เกิดเลยนะเอาใจของเราบูชานะมอบกายถวายชีวิตนะเป็นเรียกว่าให้กับพ่ อ, พพอทุตพระธรรมก็ทรงเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะนะเอาสิ่งของถวายก็ตามสมควรแต่โอกาสนะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราใจถวายนะมันทําได้ทุกอย่างนะอยังกับพ่อพุท ธ, ธาสนะท่านขนาดเปลี่ยนชื่อท่านเลยนะอืนะ แต่ก่อนท่านชื่อพระพิสุทธิ์เมนองตอนหนังก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะอาจจะเปลี่ยนโดยเรียกว่าให้คนโทษไปด้จากนั้นเรียกว่าพุทธทาสพุทธทาสแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าน้องชายท่านก็เปลี่ยนชื่อตาเป็นธรรมทาตนะเป็นทาสของพระธรรมสามคาถาเนี้อาจจะยังไม่มีใครเปลี่ยนนะแต่ก็แต่โดยความหมายก็คือทั้งหมดนั่นแหละนะ สร้าไรที่เราเป็นทาาของพระพุทธเป็นท่าของพระธรรมก็ยอมเป็นทาาของพระสงฆ์เหมือนกันนะคือยอมได้ว่าอุทิศทั้งชีวิตนะเพื่อเพื่อการนี้เนาะอุทนะิศชีวิตเพื่อนะพระพุทธศาสนานะนี่คือถ้าเราอุทิศชีวิตนะมอบนะมอบความไว้วางใจของเรานะให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอาตมาเชื่อว่าชีวิตเราเนี่ย ไม่มีทางตกต่ำหรอกถ้าเราดูาดีนะเพราะพระเจ้าสอนเราไปทางไหนสอนเราไปในทางที่ดีนั่นแหละเออถ้าสอนเราไปทางที่ดีนะเราชอบไหมละ่ะทางที่ดีถ้าเราชอบใจตรงนี้เราก็ทําตามท่านธรรมะที่พระเจ้าท่าสอนนะก็สอนให้เรามีความสุขสอนให้เราพ้นจากความทุกข์นั่นแหละนะมันดีไหมดีนะอืม พระสมฆนะสอนอะไรนะอันนี้เอาผสมจริงๆนะนะไม่ใช่สมโดยสมมตินะพระสมก็สอนตามพระพุทธเจ้าสอนนะก็สอนตามธรรมะที่ท่านรู้นั่นแหละนะก็สอนแบบไหนก็สอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนละความชั่วสอนให้คนฝึกสมาธิฝึกวิปัสสนานั่นแหละนะนี่คือพระสงะนะนะไม่ใช่ใบหวยหรือว่านะ แก้เราะให้ใครนั่นไม่ใช่ยังเทศสงฆ์จริงๆนะเพระสงฆ์จริงต้องสอนในทางที่พระเจ้าท่านสอนนะไปในแนวทางเดียวกันอันนั้นที่จริงนะถ้าเรามอบกายมอบใจเราให้กับพระพุพพพทธพระธรรมพระสงฆนะ์เนี่ยชีวิตของเรานะไม่ตกต่ำแน่นอนนะ่ะจะเป็นชีวิตที่มีความเจริญแน่นอนเจริญในที่นี้เราอย่าไปเปรียบเทียบว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องรว ย, รวยจะต้องแบบ นะเป็นคนใหญ่คนโตอันนั้นยังไม่ใช่เจริญจริงๆนะนะเจริญแบบนั้นนะมันเจริญแล้วก็เสื่อมได้ <c oughs> ใหญ่โตขนาดไหนก็ต้องตกต่ำลงมานะไม่มีใครคํำฟ้านะรวยขนาดไหนตายไปก็ออกไปไม่ได้ <c oughs> มีชื่อเสียงขนาดไหนนะนานนานวันไปเขาก็ลืบแหะนะก็มีคนดังขึ้นมาแทนที่ อันนั้นยังไม่ใช่เจริญจริงคําว่าเจริญ จ, จริงคือจิตใจเนะี่ยไม่ตกต่ําจิตใจไม่ตกต่ําถ้าเราเข้าถึงนะโลกุตระ ธ, ธรรมเนะ่ะจิตใจไม่ตกต่ําคืออะไรปิดประตูนรกปิดประตูนรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะะมันมีความมั่นใจว่าเราไม่ตกนรกแน่นอนเนี่ยปิดประตูนรกนะด็อกกุญแจตายตัยตวเอโยนกุญแจทิ้งไม่เปิดครับเนี่ย คือปิดประตูนรกนะไปสู่ประตูสวรรค์นะหรือถ้าบางบางคนเลยสวรรค์ไปก็ไปถึงประตูนิพพานได้เลยนะคือพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์สอนเราไปทางนี้เนาะ <c oughs> เราลองทำตามดูนะแล้วเราก็จะเกิดความมั่นใจนะ <c oughs> เกิดความเชื่อใจแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เกิดความสุขใจนะเนี่ยคือเรา ก็ใช้ชีวิตของเรานะักที่เหลือ <c oughs> นอกจากทําหน้าที่การงานทางโลกแล้วเนาะเราก็จะดื่มหน้าที่ทางใจเนาะหน้าที่ทางโลกนะ่ะเราก็ทําเพื่อเลี้ยงชีวิตทัดร่างกายแต่ก็มีหน้าที่ทางจิตใจที่เราไว้ไวรอเลี้ยงจิตใจของเราเนาะถ้าใครทาหน้าที่ทางจิตใจนะรู้จักเนะ่ยฝึกตนอยู่เสมอนนะ ความทุกข์มันก็จะลดลงไปนะความสุขมันก็จะหาได้ง่ายๆนะความสุ ข, ขก็จะง่ายนะมีความสุขใจมีความยิ้มแย้มเดิกบานใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นอยู่นะแต่ก็หายไปเร็วนะแต่ก่อนมันเคยหายช้าต่อมาก็หายไปเร็วน ะ, ะต่อไปเมื่อเราเห็นจริงๆอ๋อความทุกข์มันก็ไม่ใช่เรานะ ความทุกข์มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยไม่มีเราจริงๆน่มันก็ไม่มีพูดทุกข์นะมันก็มีแต่อาการที่ทุกข์อันนี้คือปัญญาในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราตรงนี้เนาะวันนี้ก็อนุโมทนากับทุกท่านเนาะที่มาร่วมทำวัดเจ็นนะแล้วก็ตั้งใจมาเวียนเทียนก็ในถู่วกระกนะ พูดถึงความสําคัญของการของวันอาสารหบูชาเล็กน้อยแล้วก็พูดถึงความสําคัญของการเดินประทับศิลเวียนเทียนเคารพบูชาคุณพระรัตนาตไตนะก็ขอให้เราในน้อนนำร่างกายของเราที่ถือดอกไม้ทูบเทียนนะเพื่อบูชาแล้วก็ขอให้เราน้อมใจนะปฏิบัติบูชา เพื่อจะได้พา